ไม่ตื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลงอยู่กับความคิดนะคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผลพยายามจะทาความเข้าใจแค่พยายามทำความเข้าใจก็หลับแล้วล่ะการภาวนามไม่ได้มีอะไรเลยลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความฝันให้ได้เนี่ยเราตื่นแต่ร่างกายใจเราหลับใจเราฝันตลอดเวลาไม่เห็น ดูใจชอบหนีไปคิดความคิดก็คือความฝันตอนตื่นความฝันก็คือความคิดตอนหลับอันเดียวกันธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งหนึ่นอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วเนะี่ยมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้งั้นถ้ายัางไม่ตื่นเนี่ยอย่าพยายามที่จะตื่น กลุ่มใจว่ายัางไม่ตื่นรู้ว่ากลุ่มใจก็ตื่นแล้วลนะ่ะมันง่ายมากเลยนะธรรมาจริงๆง่ายมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะกับคำว่าธรรมดาเราชอบคิดว่าธรรมะยากต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนี้ถึงจะบรรลุทรมีพระองค์หนึ่งนะมาเรียนกับหลวงพ่อท่านพ่อนาเก่ง ก่อนจะมาเจอหลวงพ่อนะท่านภาวนามามากนะโชกชนเลยพอมาเรียนจากหลวงพ่อแล้วท่านเข้าใจขึ้นมาเดิมท่านโหดมากเลยนะภาวนาแบบคน ไ, ไม่กล้าอยู่ด้วยพระอื่นไม่ค่อยกล้าอยู่ด้วยเดินจงกรมหามรูงหามค่ําเดินจงกรมแล้วกิเลส ย, ยังแรงนะเอาไม้มาแบกไม้ท่อนใหญ่ๆมาแบกแล้วเดินด้วยนะโอ้โหโหดมากเลยหลวงพ่อไม่เอาเงี้ยนะของเราสุขาปฏิปทา ของท่านทุกขาปฏิปทาเดินแล้วขาบวมเลยแล้วก็ทำไม่สำเร็จมาเรียนกับหลวงพ่อแป๊บเดียวเข้าใจแล้วแล้วจิตมีสมาธิดีเห็นสภาวะได้ละเอียดยิบเลยท่านก็พาวนาของท่านดีวันหนึ่งมาถามหลวงพ่อถ่านอาจารย์ผมภาวนานะเช้าขึ้นมาผมก็นึกว่าวันนี้จะทำอะไรดี ทำไงจะบรรลุมากกว่านี้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อะไรต่ออะไรก็คิดไปหคิดได้ทีแล้วเอาอย่างนี้แหละลงมือทําพอลงมือทําแล้วก็พบว่าสักพักหนึ่งก็พบว่าไม่ใช่อะก็เปลี่ยนหาวิธีใหม่ทํำยังไงนาะจะบรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์เอาอย่างนี้แหละน่าจะดีลงมือทําไป เหมือนเหมือนจะดีทําไปสักพักนึงเอ๊ะไม่ใช่อีกแล้วท่านบอกถึงเหมือนท่านเดินรอบภูเขาเนอะเดินจนรอบแล้วจนปัญญาแล้วนะว่าทางขึ้นเขามันอยู่ที่ไหนเดินล่อไปตามตีนภูเขาเชิงภูเขาล่อไปหาทุกวิธีทางแล้วทําทำไงจะขึ้นเขาคือพ้นทุกให้ได้มาถามหลวงพ่อนะท่านอาจารย์แล้วทางที่ถูกมันอยู่ตรงไหนะ หลวงพ่อก็ตอบซื่อๆเลยไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าอย่างสอนเลยนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่าไปคิดเลยว่าจะหาวิธีทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานหน้าที่ของเราคือทาตามที่พระเจ้าสอนถ้าเมื่อไ ร, รศีลศิขาเราเรียนเรื่องศีลศิขาจนจิตเรามีศีลอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อไรจิตศิขาเรียนเรื่องจิต จนได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อไรมีปัญญาศิกขาเห็นความจริงอย่างรอบด้านนะของรูปนามกายใจนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่กล้าเต็มที่ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์จิตจะบรรลุมักผลเองจิตจะบรรลุของจิตเองไม่ใช่เราจะทำยังไงให้จิตบรรลุ เพราะงั้นคำว่าทำยังไงเนี่ยโยนทิ้งไปเลยถือศีลห้าไว้รู้สึกตัวบ่อยๆเหลอไปแล้วรู้ไวๆหลังจากนั้นพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายมัทํางานดูใจมันทางานเรื่อยๆไปเมื่อเราเห็นกายเห็นใจทํางานก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจส่วนจะบรรลุเมื่มอไหร่เราตอบไม่ได้ละมันพ้นหน้าที่เราละมันคล้ายๆเรากินข้าว หน้าที่เราก็กินข้าวไปถึงเวลาแล้วมันก็อิ่มของมันเองหรือผู้หญิงมีท้องมีลูกในท้องมีหน้าที่ก็คือดูแลอย่าให้ลูกมันแท้งเท่านั้นแหละถึงเวลาลูกมันก็ออกมาเองเราต้องรอเวลาไม่มีใครทำจิตให้บรร้วมาควิปัญญาได้จิตบรรูุของจิตเองหน้าที่เรานะ่เรียน เรียนว่าทาไงศีลจะเกิดเรียนว่าทาไงจิตจะตั้งมั่นเรียนว่าทำไงจิตจะเห็นความเป็นจริงคือเห็นไจรลักษณ์ของรูปนามสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือเรื่องเหล่านี้เมื่อเราเรียนเต็มที่แล้วนะจิตฉลาดเต็มที่แล้วนะจิตจะบรรลุเองจิตบรรลุเองคือจิตหายโง่ของจิตเองไม่มีใครทำจิตให้หายโง่ได้หรอกมันหายของมันเองเมื่อมันฉลาดเต็มที่แล้ว หน้าที่เร า, าพามันเรียนจิตนี้คล้ายๆลูกเรานะเหมือนเรามีลูกใครมีลูกบ้างในห้องนี้ยกมือสิใครมีลูกบ้า ง, ง, ง, ม, ม, างมีกันเยอะเหมือนกันนะมีลูกเราสั่งให้ลูกฉลาดได้ไหมสั่งไม่ได้แต่เราให้ลูกเรียนได้ให้เรียนให้ประสบการณ์ให้อะไรแล้วเด็กฉลาดเองเด็กรอบรู้เอง จิตเหมือนเด็กสั่งให้ฉลาดไม่ได้มันไม่เป็นไปตามอยากเราให้มันเรียนเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องศีลสิกขาทำไงจะมีศีลอัตโนมัติเรียนเรื่องจิตสิกขาทาไงจิตจะตั้งมั่นเรียนเรื่องปัญญาสิกขาทำไงจะเห็นความจริงของกายของใจมีแต่คำว่าจะทำยังไงแต่ไม่ได้ทำมรรคผลให้เกิดนะ ทําให้ศีลมีขึ้นมาศีลไม่มีให้มีสมาธิไม่มีให้มีปัญญาไม่มีทําให้มีทําอย่างนี้ศีลเบื้องต้นอยู่ที่เจตนา ง, งดเว้นเบื้องต้นเรามีเจตนา ง, งดเว้นไว้ก่อนว่าจะไม่ทําบาปทางกายทางวาจาห้าอย่างห้าข้อพอแล้วไม่ต้องถือศีลมากกว่านั้นหรอกศีลห้าเอาให้รอดทุกวันนี้พระยังศีลแบ่งเลยนะศีลกระพร่องกระแพง ต้องพยายามรักษานะพระเสียเปรียบโยมอยู่ในเรื่องนี้นะพระมีศีนเยอะเลยแล้วเวลาศีนดังพลอยหนึ่งในสองร้อยนะิบเจ็ดังพลอยมันบรรลุมรรคผลไม่ได้โยมมีห้าข้ออย่างเงี้ยห้าข้อไม่ดังพลอยบรรลุได้นะหลวงพ่อนะใครจะมาขอบวชนะนั้นบภาวนาก่อนภาวนาจนกระทั่งมาบวชนี่นะัมีความรู้สึกเลยเหมือน เคยเป็นปลาอยู่ในตู้แล้วหลุดออกมาในน้าได้โอ้โ่าเริง เ, เหมือนเป็นนกอยู่ในกรงแล้วหลุดออกมาเห็นฟ้ากว้างขวางบินได้อิสระถ้าภาวนาจนถึงจุดอย่างนั้นน่าบวชที่สุดเลยภ า, าวนายังไม่เป็นนะมาบวชนี่เครียดหนักกว่าเก่าอองที่เครียดมากสติแตกไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ผิดไปหมดเลยนะกินข้าวอยู่เคี้ยวข้าวอยู่เนะผลออ้าปากเคี้ยว อาบัตแล้วไปนั่งตามบ้านคนนะเผอไปเอามือเท้าเท้าแขนอาบัตอีกแล้วอาบัตยเยอะมากเลยอาบัตแล้วปกปิดไว้พอนน้ำไม่ขึ้นหลวงพ่อพุธท่านเคยเล่าให้ฟังตอนหลังมาอ่านเจอ อท่านไปเอามาจากธรรมบทนี่งมีพระองค์หนึ่งนะสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านนั่งเรือไปเรือพายคนหนึ่งเราก็พายท่านก็นั่งไปเรือเล็กๆนะไม่ใช่เรือใหญ่ๆเอามือจุ่มน้ำได้ถ้าเอามือจุ่มน้ำเล่นไปเรื่อยๆเห็นสาลาีนะสาลายอยู่ในน้ำเอามือไปผ่านอไรเงี้ย สาลายขาดติดมือมาบอกท่านทานานอยู่นานแสนนานนะตลอดชีวิตเลยไม่บรรลุมรรคผลอนะ่ะพอจิตจะรวมบรรลุมรรคผลนกะ็จะเห็นไอ้ต้นสาลายนี่ทุกทีเลยจิตจะฟุ้งมาตรงนี้ทุกทีเลยไม่ได้ปลงอาบาัติซะปลงอาบัติซะก็หลุดละอันนี้ยเป็นอาบัติเล็กน้อยบานเป็นอาบัตใหญ่ปลงอาบัติไม่ได้อย่างถ้าพระมาสเตเบดนะปลงอาบัติไม่ได้แค่นั้นไม่พอต้องถูกจําขุกด้วย หรืถ้าปราชิกเลยนั้นแก้ไม่ตกแล้วเขาเรียกว่าอาสังวาโสอยู่ร่วมในวงสงฆ์ไม่ได้แล้วงั้นถ้ามีพระปราชิกแล้วบอกว่าหยวนหยวนโกงคอยแล้วคืนเงินแล้วหยวนหยวนอย่ามาหยวนที่นี่ไม่เอาที่นี่ไม่เอาอาสังวาโสไปแล้วคือไม่สังวาสสังวาสก็ไม่อยู่ร่วมด้วยลว้อยู่ด้วยไม่ได้แล้วคนละเพศกันแล้ว เป็นพระนะวินัยเยอะเป็นโยมนะศีลห้าเอาให้รอดเถอะถือศีลห้าไว้นนะศีลห้าตั้งต้นว่าตั้งใจไว้ตั้งเจตนาว่าจะไม่ทาผิดไม่ต้องขอที่ใครหรอกมันอยู่ที่เจตนาของเราเองว่าอะไรคือตัวศีลบวกเจตนาวิรัตคือเจตนางดเว้นน่คือตัวศีลอย่างศ ม, มันอยู่ไปจนแก่งักเลย นะแทบจะเลื้อยแล้วน้าก็จะต้องตะ บ, บันกินแนะฟันฟางหักหมุนอยู่งากเลยนะอยู่จนแก่เห็นสาวๆอยากเป็นชู้กับเขาช่วยหามปู่ไปหน่อยไปจีบนะอย่างเนี้ยลาบักไปไม่ไหวอย่างนี้ไม่ถือว่ามีศีลแต่ทือว่าไม่มีปัญญาทำชั่วจนะมีศีลหมายถึงว่ามีปัญญาทำชั่วนี่แหละแต่ไม่ทำงดเว้นนี่คือตรวจศีล น, นะ งั้นเบื้องต้นเราตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนงดเว้นที่แรกมันก็ฝืนมากเลยงดไปนานๆ น, นัน้นไม่ชินผิดศีลไม่ลงนะยิ่งเราฝึกสติเราดีๆนะเรารู้เลยคนทําผิดศีลเพราะกิเลสครอบงาเราทําไม่ได้ทําไม่ลงเราอายก่ใจจะไปด่าเขาเพราะว่าเราโกรธเขาเนี่ยเห็นใจที่โกรธใจที่โกรธนั่าเกลียดจะตายหรือเราจะไปขโมยเขาเพราะใจมันโลภเนี่ยใจที่โลภมันนั่งเกลียดจะตายคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วละ่ะ ทำไม่ลงนะมันมีฮิริโอตปาขนะึ้นมาสีนอตโนมัติมันจะมีขึ้นมาอาศัยสตินะรู้ทันกิเลสนะมีหิริโอตปาขึ้นไม่ทําผิดศีลค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเนะบื้องต้นอยังไม่มีสติไม่มีฮิริโอตปะก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไม่ทําผิดศีลถ้าพลาดผิดไปแล้วก็ตั้งใจใหม่ว่าจะไม่ทําอีกนะแต่บางคนนะตั้งใจตลอดเวลาเลยเดี๋ยวจะไม่โกหกแล้วลนะ่ะ พูดไปสามคำโกโหกอีกล้นะตั้งใจใหม่วันหนึ่ง500ครั้งเนี่ยมันก็เกินเลยนะอย่างนั้นนะแล้วตั้งใจแล้วก็พยายามดูแลใจของเราอย่าไปตามใจกิเลสตามใจกิเลสก็ผิดศีลมีศีลแล้วก็มีสมาธิมาเรียนเรื่องวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นสมาธิมีสองสมาธิสมาธิชนิดที่1จิตอยู่ในสงบอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุข อันนี้อาไปพักผ่อนสมาธิชนิดที่สองจิตดีด ต, ตัวออกมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานรู้อะไรรู้รูปมันทํางานรู้เวทนาคือความสุขทุกข์รู้ความปรุงดีปรุงชั่วนะรู้เท่าทันกระบวนการทํางานของจิตใจเนื้อรู้กายรู้ใจนะแล้วก็ปัญญามันจะค่อยๆเกิดมีใจตั้งมั่นเป็นคนดู ดูกายทำงานดูใจทำงานในสุดปัญญามันเกิดโ้ยร่างกายนี้มันเป็นทุกข์นะร่างกายนี้เป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราลงท้ายมาคำว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันทางกายท้งใจกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนเลยไม่คงไม่มีใครคิดว่าตัวเราอยู่นอกร่างกายหรือนอกจิตใจนี้ไปไม่ได้ ท่างกายกับใจยังไม่ใช่ตัวเราแล้วใครจะเป็นเราไม่มีเราควาเป็นเราเป็นแค่ความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวพอเห็นความจริงอย่างนี้นะเวลาร่างกายนี้แก่ใครแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายแก่ใครเจ็บร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บใครตายร่างกายตายไม่ใช่เราตายเพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่เดือดร้อนเลยแก่อย่างไรก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปดึงหน้าพวกเรา ร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเห่นไหมมีตาชั้นเดียวไปทําเป็นสองชั้นต้องการรอยยน่นบนใบหน้าแต่ว่ารอยยน่นนี่ชิดตามีตาตาตรงนี้เห็นไหมสองชั้นต่อมาธรรมชาติเห็นใจอยากมีตาสองชั้นเพิ่มรอยย่นตัวใต้นี้ให้ด้วย <c oughs> ไม่อยากได้แล้วอยากได้แต่รอยข้างบนพวกตาสองชั้นรู้สึกไหมมันก็หนังตาย่นนั่นแหละ แต่หนังตาย่นนี่โอ้สวยมีตาชั้นเดียวไม่มีเล่าเต้งเนาะพอข้างล่างขึ้นเนี่ยกุมใจเราว่านะนะถ้า่าวนาเป็นมันไม่ใช่เราอะมีตาชั้นเดียวผมไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยนะก็ยังมองเห็นอยู่มีหนังตาชั้นเดียวหรือหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรอยู่มานานแล้วเหี่ยวแล้วเท่ดีเนะ หน้าภูมิใจได้อยู่จนแก่เห็นมต่อไปถ้าใครว่าเราแก่นะบอกโ้ยฉันภูมิใจมากบอกงี้เลยนะโอ้ยฉันภูมิใจนะฉันอยู่ได้นานแต่ถ้าภาวนาจริงมันจะไม่รู้สึกนะจะรู้สึกเปนไม่ใช่เราหรอกร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายบางทีไปทําฟันไปอะไรนะหรือไม่สบายหมอรักษาเราหมอตื่นเต้น เราต้องคอยปลอบหมอหลวงพ่อเนี่ยเกิดปลอบหมอหมอฟันนี่แหละมาถอนฟันหลวงพ่อถ้ถอนไม่ออกเราก็เวรกรรมปวดฟันนะไปหาร้านนิรภวกต์ใกล้ที่ทำงานเข้าไปแล้วจะถอยออกก็เกรงใจหมอตัวกระเพียกเดียวแต่ไหนๆก็มาแล้วหมอก็ฉีดยานะถ้าทางมั่นใจก็ถอนถอนไปถอนมานะหายไปพักใหญ่กลับไปพี่แท่ไปร้องไห้อยู่ กลับมาถอนต่อจนหมอนี่สั่นเลยนะถอนไม่ออกเราต้องปรับใจเย็นๆหมอใจเย็นๆหมอก็บอกว่าจนปัญญาแล้วล่ะเดี๋ยวไปถอนที่โรงพยาบาลก็แล้วกันวันรู่ขึ้นเราไปโรงพยาบาลโดนหมอกรดึงไว้ซะบวมเลยพนะอไปถึงโรงพยาบาลนนะหมอคนเดิมนะี่ย แต่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลความมั่นใจสูงขึ้นนะเพราะว่าฉุกเฉินอะไรยังมีหมออื่นเครื่องให้ออกซิเจนอะไรก็มีปรากฏแกถอนออกเห็นไหมก็กำลังใจแ่ดีนั้นหาธรรมะนะร่างกายเขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตใจมันก็ทำงานของมันเองทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราชั่วครามหมดเลยความสุขความทุกข์ความดีความชั่วชั่วคราวหมดเลย แต่เดิมเราหิวความสุขอยากมีความสุขทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมีความสุขนี่ปัญญามันแก่กล้าแล้วโอ้อารมณ์ทุกชนิดนะที่เรามาสัมผัสนึกว่าจะมีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขไม่จีรังยั่งยืนอะไรความทุกข์ก็เหมือนกันผ่านเข้ามาในชีวิตเรามาในจิตใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่จีรังยั่งยืนเหมือนกันในใจมันเข้ามาถึงตรงนี้มันฉลาดนะ ต่อไปไม่ว่าจะเจอคนเจอคนหรือเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเนี้ยแต่เดิมกลุ่มใจแต่นี้รู้สึกธรรมดาความรู้สึกไม่ชอบก็แค่นั้นเองเคยเกลียดใครสักคนไหมโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้เราไม่ได้ด่าเราไม่ได้ทำท่าเกลียดชังอะไรเราเห็นหน้าเฉยๆเราเกลียดเคยมีไหมบางคนมีบางคนไม่เคยพวกไม่เคยเนี่ยพวกมีบุญ เรเจออะไรก็เจอแต่อารมณ์ที่ดีเป็นกุศลอย่างเดียวแต่พอวนายากนิดนึงนะมันสุขมากไปบางคนเราไปเห็นมันไม่เคยทําอะไรเราใจมันเกลียดสมมติว่าเขาด่าเราสมมติเขาด่านะใจเราโกรธขึ้นมางั้นแกไม่บันดาก็ด่าชัวกล่าวแล้วถ้าเราภาวนาเป็นนะเรารู้ว่าเราโกรธเพราะเราคิด เราไม่ได้โกรธเพราะเขาดา่าเวลาคนด่าเราเนี่ยเสียงเข้าหูถ้าเราไม่คิดต่อนะ่ะไม่โกรธหรอกเพราะที่โกรธเนี่ยนะเพราะคิดต่อแล้วเขาด่าไว้เมื่อปีกลายคิดที่ไรโกรธทุกทีเลยเพราะฉนั้นโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาดา่านึกออกอยังเพราะเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่เองเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตมันหลงเรารู้จิตมันหลงเรารู้นะรับรองว่าไม่เดือดร้อนเลย คนดา่าเฉยๆเมื่ อ, อย่างอะ่นะ <c oughs> เมื่อปีห้าสามจำได้ไหมคนด่าหลวงพ่อนะหน่งนังส่งพิมหนังสือพิมพ์อินโตอนองอินเทอร์เน็ตโนะจมตีใหญ่เพราะเราสอนไม่เหมือนคนอื่นคลนะใครๆอะไรที่ใหม่ๆนะมันเสี่ยงนะคนมาดา่าบางคนจะมาให้กําลังใจหลวงพ่อหน้าซีดหน้าเซียวมาเลยว่าหลวงพ่อถูกดา่าหลวงพ่อบอกเอ้ยใจเย็น <laughs> เราไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อย <laughs> คนเขาด่านะเราโกรธเราทุกข์เพราะเราคิดบางทีก็มีพระมาะส่งอันบ้างโอ้ยผมจะตายแล้วตอนนี้ราค้าแรงโยมกับพระราคาเกิดขึ้นมาไม่รุนแรงเท่ากันนะโยมไม่เดือดร้อนหรอกเวลาราคาเกิดโยมก็สนองราคาไป พระราคาเกิดนี่มีแต่ทุกข์ล้น้วนเลยนะแทบเอาหัวโขกกำแพงเลยอันนี้พระดีนะถ้าพระไม่ดีก็ทําแบบโยมอหลวงพ่อก็บอกว่าหยท่านจะไปกลัวมันทําไมราคาหมูจะตายไปท่านอย่าไปคิดต่อสิเออไม่คิดสัอย่างเดียวมัเห็นได้เป็นไรเลยพระก็งงไม่ให้คิดเรื่องราคาเออบอกเวลาราคาเกิดนะมัน มีทางร่างกายนะฮอร์โมนมันกระตุ้นใจมันก็จะคอยคิดแต่เรื่องหลามอกองนี้แล้วอย่าไปคิดมันสิหรือไม่เราก็คิดกลับข้างถ้าเรารู้ทันจิตมันยังมันเรารู้ทันนะจิตมันเลิกคิดไปได้ก็ดีที่สุดถ้ามันไม่ยอมเลิกเราก็พามันคิดเรื่องอื่นเลยพามันคิดเรื่องปฏิกูลสุภะเราก็พิจารณาร่างกายเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนี่มีรูรั่วมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเนี่ย โอพิจารณาไปคิดอย่างนี้นะราคาหนีหมดเลยนะเห็นไหมราคาโทสะอะไรตอนอะไรเนมะันตามหลังความคิดเรามาข้งนั้นหนึ่งรู้ตัวไว้รู้ตัวไวไ้รู้สึกตัวไวนะ้อะไรๆก็ไม่น่ากลัวแล้วเราจะรู้ว่าทุกอย่างโชั่วคราวไปหมดเลยโลภก็โลภชั่วคราวเมื่อตอนเราคิดโกรธก็โกรธชั่วคราวเมื่อตอนเราไปคิดคิดไปในทางชอบใจแล้วราคาก็เกิดคิดไปในทางไม่ชอบใจโทสะก็เกิดก็แค่นั้นเองนะ เห็นมีอะไรเลยส่วนคนเขาจะมาด่าเราหรือเขามาชมเรามันก็แค่เสียงกระทบหูแค่คลื่นเสียงอ่ะคลื่นเสียงสูงสูงต่ําๆอ่ะมันทําให้เราเดือดร้อนได้ยังไงอย่าสูยคนจีนเนี่ยคนจีนเขาพูดเร็วใช่ไหมแต่จีนรุ่นนี้เสียงเบานะถ้าภาษาจีนทางใต้เนี่ยทางแต้จิ๋วทางก้องเก้นเนี่ยเสียงมันหนักเวลาคนจีนคุยกันเนี่ยคนไทยนึกว่าคนจีนทะเลาะกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดมีสำนวนล้อเรียน บอคนจีนปลาใสปลาใสคือคุยกันนะเหมือนคนไทยตีกันนะเหมือนทะเลาะกันเสียงดังนะี่ยอย่างถ้าเราฟังคนจีนเขาเสียงดังๆเราฟังไม่ออกนะถ้าเขาด่าเรานะเขาด่าเราแต่เขาไม่มาชี้หน้าเรานะเขามองยังก็ดา่าเสียงดังๆเราไม่รู้ว่าเขาดา่ายังไม่โกรธนะไม่โกรธเมื่อก่อนของพ่ออยู่จุฬา สมัยจุลาอย่างล้าหลังอยู่มีตลาดสามย่านมีเลยนะมีเขียงหมูด้วยว <c oughs> ันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาเดินผ่านตลาดเขาได้ยินคนขายหมูาแปะแก่ขายหมูถือปังต่ออันใหญ่เขามีปังต่อตีเขียงไอเพ่งนะล้กฟันนี้ก <c oughs> ็จ้องใส่คนข้างๆนะ คนข้างๆมันกําลังถือตะหลิวอยู่มีกระถางเขาบอกเขาตกใจมากเลยมันจะฆ่ากันละถอยออกไปดูห่างๆเสร็จแล้วมันหัวเราะกันอ๋อคุยงในใจนั้นอยู่ที่การตีฆ่าการให้ฆ่าให้ฆ่าแล้วก็รู้สึกอย่างนี้ให้ฆ่าแล้วรู้สึกให้ฆ่าว่าเขาตีกันก็รู้สึกกลัวอันตรายต้องหนีเนี่ยใจเราจะมีการให้ฆ่าตลอดเวลา การให้ค่าบางทีก็ให้ถูกบางทีก็ให้ผิดนะนี่เราคอยรู้เท่ากันนะรู้ทันใจ<ม>เราไม่มีอะไรมีแต่เรื่องคิดเอาเองเท่านั้น่นะคนอื่นนะสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างทุกข์ให้ตัวเองนะคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้เช่นมาด่าเราเป็นปัญหาแต่เราไม่ทุกข์ไดนะ้ถ้าใจเราฝึกไว้ดีแล้วรางนั้นคนอื่นทำปัญหาให้ได้นะอย่างมาปลูกบ้านอยู่ใกล้บ้านเราแล้วชอบเปิดโทรทัศน์เสียงดัง เปิดตัวถ้าเสียงดังเราหนูหูเราจะนอนเนี่ยเราก็ทุกข์แล้วถ้าเรากลับข้างนะโอ้ดีจังเลยเขาปลุกให้เรามีสติเราได้ภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่การวางใจนะอ้าต่อไปส่งกันบ้านพวกอยู่วัดที่ผ่านมาอยู่วัดสองวันนี้จะเห็นจิต ไหลไปคิดตลอดเวลานะฮะทั้งวันเรียกว่าห้ามไม่ได้หรอกครับทั้งวันแล้วก็ทำนามก็ไหลอย่างนั้นนะครับพอเห็นมันมันก็จะหยุดนะฮะแล้วก็มันก็จะกลับมาใหม่เป็นอย่างเนี้ยทั้งวันตลอด2วันซึ่งซึ่งไม่เคยคิดว่าตัจะคิดได้เยอะขนาดนี้ถ้าท่าโลกภายนอกนีเราเราจะเห็นเป็นแค่บานครับที่จริงไอ้คิดเยอะคิดตลอดเวล า, ค, ลวลาคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับแต่ไม่เคยเห็นครับเรามาฝึกเรามารู้มาเห็นนะเราจะเห็นว่าราะมีแต่ทุกข์นะครับน้ากล่อมหรอฮะดูไปเห็นแต่ทุกข์ครับ แต่ว่าต้องดูอย่างนี้นะจิตไม่ได้คิดเองห้ามไม่ได้นะครับ ค, ค่อยๆรู้ไปถัดรู้สภาวะาไปแล้วก็เห็นสภาวะนั้นเป็นไตรลักษณ์ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ครั บ, ร บ, รบในมัสการขลุงพ่ อ, อจิตใ จ, จก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะและ้วขลุงพ่ออขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะแนวทางเดินต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะเออใช้ใจธรรมดาธรรมดานะอย่าไปกดอย่าไปข่มมัน รู้สึกตัวดูมันทำงานอ้าวนมัสการหลวงพ่อคะ่ะไม่รู้จะส่งอะไรคะ่ะหนูรู้ทันความรู้สึกของตัวเองมั้ย่ในใจมันโกรธใจมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยดูออกไหมดูออกค่ะใจมีความสุขดูออกไหมยอย่างวันนี้มีความสุขเยอะหน่อยรู้สึกไหมไปกลับบ้านแลวนวเนี่ยเรารู้ทันความรู้สึกไป ทำกรรมฐานอะไรไม่ได้มากนะเอาอย่างเดียวพอรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเนะียวันหนึ่งมันก็จะเก่งขึ้นมาเองนำมศการหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำเรื่องการปฏิบัติ ด, ด้วยครับนายมาตั้งาวันแล้วนะที่เล่ามาทุกวันเนี่ยเรื่องปฏิบัติทั้งนั้นเลยครับรักษาศีลได้ดียังศีลอย่างดังพลอยไหมนะไปสำรวจดู วิธีที่เราจะรักษาตัวเราประคับประคองตัวเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเราใช้การสังเกตเอาความชั่วอะไรที่ยังไม่ละก็ละเสความดีอะไรยังไม่ทําก็ทําเสียคอยรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจดีจิตใจชั่วคอยรู้ไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะค่อยพัฒนาไปได้แล้วก็สังเกตเอาความชั่วเราก็รู้จักอะไรชั่วแล้วก็อย่าไปทํา ความดีควรจะทำก็ทำซะเช่นทุกวันจะต้องภาวนาก็ต้องทำมีวินัยไม่ใจอ่อนมีวินัยเด็ดเดียวปฏิบัติทุกวันแล้วก็สังเกตความรู้สึกของตัวเองไปทุกวันทุกวันตอนอยู่ในบ้านในทาในรูปแบบก็ทำความสงบเพร่อมาบ้างวันไหนฟุ้งก็ทำความสงบวันไหนสงบดีแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามา วันไหนรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาได้จิตตั้งมั่นแล้วก็ดูกายดูใจมันทํางานไปเวลาที่เหลือออกมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็ให้มันกระทบไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุขกทข์เกิดดีเกิดชั่วก็ให้รู้เอารู้ไม่ใช่เพื่อจะเลือกเอาดีเอาสุขนะรู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนี่นรักษาศี่ห้านะทำในรูปแบบไว้ทุกวันต้องทํา แล้วก็ที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นใจใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชัว่วมีสติรู้ทันไปทำได้อย่างนี้แล้ก็ใช้ได้แล้วละไปทำเอาอย่าขี้เกียจก็แล้วกันได้ต่อยอดไปขอบคุณครับกรา บ, บนรรมส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพิ่งเคยฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็พยายามจะ ปฏิบัติให้ได้ตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนก็ปฏิบัติตามรูปแบบบ้างแต่ว่าไม่บ่อยก็ที่สังเกตได้ก็คือปกติจะเป็นคนปวดหัวไมเกรนค่ะ อ, อก็จะทําสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจอก็ก็ดีขึ้นปกติต้องกินยาอะไรเงี้ยค่ะก็แต่แต่ก็จะรู้สึกได้ว่าตอนที่ดูลมหายใจตัวเองก็จะมีแวบไปคิดอ อ, อย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย่ะใช่ได้นะถ้าอย่างนั้นนอะ ก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนําแนวทางปฏิบตัติต่อไปเพราะว่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติปฏิบัติอย่างที่ว่ามาเนี่ยถูกแล้วละ่ะไปทําอย่างนี้แหละทําถูกแล้วทําอีกสังเกตไหมว่าจิตใจเราพัฒนาขึ้นนะไปฟังซีดีหลวงพ่อน ะ, ะแล้วก็ทําอย่างที่ทํานี่แหละถูกต้องแล้วละ่ะพอดีวันนี้พาคุณแม่มาด้วยคุณแม่อยากจะปฏิบัติ ต, ตามแนวทางหลวงพ่อเหมือนกันแต่ว่าเริ่มต้นไม่ถูกอย่างเงาเริ่มต้นก็แค่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไป รู้จักโกรธไหมถ้าโกรธขึ้นมาเราก็รู้นะหงุดหงิดนะถ้าโกรธมากก็โ้โกรธแล้วเห็นนะความโกรธมันดันขึ้นมาเห็นมันดันรู้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันโกรธได้มันก็เลิกได้เวลาโกรธเนี่ยอย่าไปดูคนที่ทําให้เราโกรธตอนที่โกรธขึ้นมานะเราดูความรู้สึกโกรธเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะคนทั่วไปเวลาโกรธไปดูคนที่ทําให้เราโกรธไม่ดูว่าความรู้สึกเป็นยังไง ให้ย้อนมาดูที่ความรูร้สึกของตัวเองไว้ขอบคุณค่ะนักศึ ก, การครับหลวงพ่อครับอืเมื่อเมือม่อวานนี้เมื่อวานวานี้นั่งฟังเทศแล้วนั่งเล่นๆนะครับเออนั่งเล่นนั่งทำสมาธิเล่นๆแล้วจิตรวมจิตรวมแล้วก็เห็นอะไรผ่านมาก็ผ่านไป<ฮ>เห็นเสียงหลวงพ่อผ่านมาก็ผ่านไปบางประโยชน์จิตเอาไปตีความก็ฟังรู้เรื่องครับบางประโยชน์ไม่จิตไม่ตีความก็ผ่านไปถูกแล้วนั่นแหละฟังอย่างนั้นแหละ เออมาเป็นการทําสมถะแทําทำเบียดปัญนาเวลาที่ฟังครูบาอาจารย์เทศนะย่งอยู่ในวัดป่านะจะไม่ให้มานั่งฟังตาแป๋วแปเรากพให้นั่งภาวนาไปแล้วเวลาที่ธรรมะที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเนี่ยมันตรงกับใจเราเนี่ยใจเราจะตื่นตัวขึ้นมาฟังนะถ้าเป็นธรรมะของคนอื่นเนี่ยใจเราก็ทําสมาธิขอหเราไปและครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนก็ภาวนากันอย่างนี้แหละแต่เมื่อวานนี้ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยนะครับ ไม่เป็นไรขอให้รู้ทันจิตชพื่ใช้ได้แล้วนั่นแหละธรรมะตัวจริงแต่หลังจากทําแล้วจิตสดชื่นนะสดชื่นดีครับพอวันนี้วันนี้อยากจะทําบ้างมันอย่างนี้บ้างนะฮะปรากฏว่านำครึ่งชั่วโมงทําไม่ได้เลยไม่ได้หรอกมันโลภเมื่อวานมันไม่ได้เจตนาก็พอดีได้ยินหลวงพ่อว่าจิตบังคับไม่ได้เลือเรื่อระบังคับเลยครับหรือว่าจิตเป็นนัตาครับเออไปดูอีกตัวนะจุดดอนของเราจิตมันฟุ้งง่ายครับถ้ามันฟุ้งในธรรมะต้องระวังนะ ที่มันจะฟุ้งในธรรมะเป็นปกติของคนที่ติดสมาธิก็คือพอปล่อยจากสมาธิมันจะฟุ้งครับมันจะฟุ้งในเรื่องธรรมะก็ได้คิดธรรมะพูดธรรมะเราสนุกเราเพลิอนอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังตัวนี้ด้วยครับคขอบคุณมากครับครับน ม, มัสการหลวงพ่อครับ อ, อผมเพิ่งมาฝึกตามแนวทางของหลวงพ่ออืพอดีฝึกตามแนวหลวงพ่อแล้วเมื่อคืนช่วงกลางดึก กอนจะตื่นเนี่ยผมมีประสบการณ์แปลกนิดนึงครับ <ừ> คือกําลังจะตื่น <ừ> แต่เหมือนกับบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้ครับไม่ได้หรอกนั่นแนหะจิตมันตื่นนะร่างกายยังไม่ตื่นหลวงพ่อมีคําแนะนําอะไรบ้างไม่ต้องตกใจหรอกเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจิตมันตื่นก่อนแล้วมันยังสั่งร่างกายไม่ได้นะอีกแป๊บหนึ่งถึงจะสั่งร่างกายได้แต่บางทีนะร่างกายหลับนะจิตตื่นอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเลยก็มีนะ เราเห็นในร่างกายมันเมื่อยมันก็พลิกของมันเองนะครับขอบคุณหลวงพ่อครับหลับนมัศ ก, การหลวงพ่อครับมผมปฏิบัติอนาปานสติภาวนาพุทโธอยู่ครับหลังจากที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อสองวันแรกเนี่ยก็ติดขัดไปหมด <c oughs> แต่แต่ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้กระจ่างแล้วครับเ <c oughs> พราหลวงพ่อเองก็เริ่มมาจากอนาปานสติกับพุทโธนะ เพราะผมไปติดในในสมาธินะครับออไปติดที่ลมหายใจเสร็จ แ, แล้วก็หาทางไม่ได้ออแต่เมื่อเชา้าได้ฟังธรรมของหลวงพ่อแล้วกระจ่างทะลุเหมือนได้กลางแผ่นที่แล้วก็ออสามารถที่จะเดินต่อได้ครับไปไปเดินเอานะครับดีพว ก, กที่เล่นสมาธิมานะนเป็นพวกชอบภาวนาแต่พอรู้วิธีภาวนาที่ถูกนะพวกนี้จะขยันนะไปได้เร็ว งั้นมันไม่เสียเวลาหรอกหลวงพ่อไปทําสมาธิย2่ปีเดินปัญญาไม่เป็นนะมาเจอหลวงปู่ดุลเดินปัญญาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนะี่ยรวดเร็วคล่องแคล่วนะสมาธิเราดีครับก็เมื่อเช้าที่หลวงพ่อแนะนําว่าถ้าดูกายกายก็จะทุกกับอ น, นัตตาคู่กันถ้าดูจิตก็เป็นเวทนากับไม่เป็นอนิจจงเป็นอนิจจ์กับอ น, นัตต า, นนตาคู่กันเมื่อเช้าก็เลยทะลุเลยครับ เดี๋ยวไปทำอีกนะค ร, ครับผมกราบนบัรกคารหลวงพ่อครับผมมีอาการไหวๆที่จิตอยู่บ่อยครับไหวอยู่ตรงไหนไหวอยู่ที่อ่าบริเวณกลางอกนะครับเออถูกแล้วล่ะอันนี้เมื่อเช้าฟังหลวงพออ่อพูดถึงเรื่องอาการไหวๆว่าจะมีอาการไร ล, ลักแนบมผมมองไม่ออก เลยแต่ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคําถามที่ตั้งใจจะมาถามนะครับแล้วน้ําตามันจะไหลแล้วก็ให้รู้ว่ามีผิติครับนะแล้วให้ปิติครอบใจครับแล้วก็จะมีตัวตัวมานะอะไรเกิดขึ้นมาตามตามต่อจากนั้นเลยจะจะเรียนทำหลวงพ่อว่าวิธีการมองอาการไหวหๆเป็นไตรลักษณ์นั้นต้องมองยังไงครับอย่าไปพยายามเห็นไหมมันไหวหๆมันมาแล้วก็หายแวบแวบแวบไปเรืย นั่นแห L ละใจรักละอ๋อขอบขอบสงเกตไหมมันไหวของมันเองใช่ใช่กับไหวของมันเองนัคือคำว่าอนัตตา<ม>ตอนเนี้เราเห็นนะแต่เพียงแต่มันไม่สรุปเป็นคําพูดเท่านั้นเอง<ม>นะให้มันเห็นอย่างนี้แหละเห็นไหว้ไปจิตเราสบายๆเป็นคนดูสบายๆไปขอบคุณครับหลวงพ่อครับแต่แปลกอย่างนะดูไหวๆเนี่ยดูไปดูมาบางคนเห็นว่าโอ้โถูกนะถูกล้วนๆเลยก็ต้องไปทําสมาธิ ให้ใจได้พักผ่อนใจได้พักผ่อนแล้วมันดูวายๆแล้วขาดเลยครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปฏิบัติดูมาอยู่พักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พอปฏิบัติเรื่อยๆจิตมันก็จะนิ่งค่ะหลวงพ่ออย่าให้มันนิ่งมันไม่มีความรู้สึกมีถ้าจิตมันนิ่งนะให้มันดูกายนะร่างกายมันไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวก็หายใจออกหายใจเข้านี่เป็นหลักเลยนะถ้าภาวนาแล้วจิตมันนิ่งเฉยๆให้ดูกายเลยค่ะ ถ้ากายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยคอยรู้อยู่ในกายเนี่ยจิตไม่ไดเดินปัญญาต่อไปดูกายไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะทำารรมสการครับหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นจากอนาปานสติแล้วก็รู้ทันจิตไปนะครับแต่ว่าพอไปถึงจุดหนึ่งคิดว่าจิตน่าจะหนีนะฮะ มันเหมือนเห็นทุกแล้วอาจจะไม่อยากดูละมันก็หลังจากนั้นก็จะนั่งแล้วก็จะไม่เดินปัญญาแล้วมันก็จะนิ่งตลอดโอ้ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพามันดูเลยอย่าไปนั่งเฉยๆนะก็ทบทุกอารมณ์เข้าไปเลยเดี๋ยวจิตมันก็แหวงขึ้นมาปัจจุบันก็เลยใช้ออกไปเดินชงกลมในที่เปลี่ยวๆก็ปัจจุบันทําอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกจิตจะฟุ้งมากขึ้นแต่ว่าก็อาศัย กลับมามีสติเป็นระยะระยะก็ทำอย่างนั้นอยู่ไม่ทราบว่าใช่ได้ใช่ได้นะแต่ด um ูที่ปลอดภัยหน่อยนะแล้วผู้หญิงก็อย่าไปทำแบบนั้นไปเดินจูงกลมที่เปลี่ยวเปรี่ยวเรียกออยเยือผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่ครับเขาเพราเขาชอบภาวนาแต่ภาวนายังไม่นานแต่เขาบอกว่าเขาเวลาให้จิตตั้งมั่นต้นอยู่เขาจะรู้สึว่า ใจจะทื่อๆครับคือเปลี่ยนใหม่อย่าไปเริ่มพิธีปฏิบัติด้วยกันไปทำจิตให้นิ่งๆให้ออกมาใช้ชีวิตธรรมดาเลยนะชีวิตเหมือนปกติของคนธรรมดาเลยตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินใจก็คิดให้เป็นแบบธรรมดาแต่พอตามองเห็นหูได้ยินใจคิดแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นให้คอยรู้ทันเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทกเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายนะ เขาบอกเขานั้นจะมาฟันธรรมะพอเข้าใจบ้างแต่เวลาลงมือยังไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นอยากจะขอ อ, อคําแนะนําจากหลวงพ่อครับเอยวไปคิดเรื่องปฏิบัติเลยนะแค่ว่าเราเนี่ยกระดูกดิกอะคอยรู้สึกตัวอย่าใจไปใจลอยเผลอเผลอไปทั้งวันรนะ่างกายกระดูกดิกก็รู้สึกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้สึกฝึกนะ อ, อย่างนี้ก่อน ดีกว่ิดว่าจะทํายังไงจะทํำยังไ ง, ง, ไงแล้วก็ไปนั่งจ้องไงว้เฉยๆจะทําผิดใช้ชีวิตธรรมดานี้แหละ hmm. แล้วก็รู้รรทานความรู้สึกไปแล้วถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นร่างกา ย, กายเคลื่อนไหวเหมือนเราเป็นแค่คนดู <c oughs> คนจีนกับคนไทยเนี่ยนะถ้าไม่พูดเนะี่ยไม่รู้เลยนะแยกไม่ออกเลยเรามานนั่งปนๆ น, น, นะดูไม่ออก คนจีนนี่จะต่างกับคนไทยนะพวกเราคนไทยนี่พอจับไมลเราจะกลัวเราจะตื่นเต้นชี้กลัวคนจีนเนี่จะไม่กลัวจับไมลได้จะพูดไม่ค่อยเลิกอะ่ะ <c oughs> พูดๆนะท่าทางไม่กลัวใครเลยสังเกตไหมเขาไม่กลัวเขากล้าหานนี่เป็นข้อดีนะมีความกล้าหานแต่สังเกตไหมไม่ใช่กล้าแบบก้าราวด้วยกล้าหานแต่อ่อนโยน นี่เป็นเป็นเรื่องน่ารักมากเลยของคนจีนนะของคนไทยเนี่ยนะกระด้างอยู่ข้างในข้างนอกทำเป็นนอบน้อมนีนะ่เวลาจับใหม่ก็กลัวนะต้องพัฒนาเลยนะบางคนนี่กระด้างมากเลยไหนเป็นบางคนออกไม่ได้กระด้างทุกคนหรอกนะแตคนจีนเนี่ยข้างในเขาจะนุ่มข้างนอกเขาจะเข้มแข็ง เขาเขาบอกว่าเขาเคยไปฝันธำอาที่หลวงพ่อเทศที่ประเทศจีนครับเขาหลังจากนั้นเขาจะเริ่มฟันเอ่อทำอาหลวงพ่อแล้วอ่านหนังสือด้วยเขาเริ่มรู้สึกว่าสติเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วกายกับใจเริ่มดีขึ้นเขาเคยมีวันหนึ่งเห็นเห็นกายที่หัวเราะแต่ใจจะตกใจมีวันหนึ่งเขาเข้าใจว่าโลกนี้มีแต่คนหลับ เขาตอนนี้เขาเอยากจะถามว่าเวลาเขาภาวนาเขาควรดูกลคนใช้ความคิดนํำไหมว่าร่างกายไม่ใช่เราแค่ถูกรู้ถูกดูไม่จําเป็นอะนะสามารถมันเห็นอยู่ได้แล้วแค่รู้สึกเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกเพราะว่ากายกับใจมันแยกกันได้อยู่แล้วก็ความรู้สึกนะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ไป เขาเพราะเขาเคยไปฟันธรรมที่หลวงพ่อเทศที่ประเจีนเขาอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับให้ใจมันอยู่กับตัวเองไว่อยรู้สึกอยู่ในตัวเองเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะถ้าใจมันไหลออกไปข้างนอกก็รู้ไวๆอย่าไหลยาวนะเนี่ยฝึกตรงนี้แล้วจะก้าวหน้าได้เร็วแต่ถ้าใจเราไปอยู่ข้างนอกเหมนมันไม่ก้าวหน้า ให้รู้ทันว่ามันวิ่งไม่ห้ามหรอกแค่รู้ทันว่ามันออกนอกล้เขาบว่าเขาหารูปแบบไม่ไม่คุยไม่ค ย, คยด้แต่เข า, าเขาถามว่าเขาเวลาเขาเนียงลูกถือลูกเป็นอารมณ์ทำกรรมฐานได้ไหมครับเราต้องใช้ร่างกายใช้จิตใจของเราเป็นอารมณ์นะอย่างเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยบางทีเรารู้สึกลูกเราน่ารักมีความรู้สึกรักเกิดขึ้นเรารู้ว่ารัก บางวันลูกดือ้อลองไห้อยู่เ ย, ยเราโมโหรือว่าโมโหอย่างนี้ใช้ไดนะ้ให้รู้ความรู้สึกของตัวเองเวลาเลี้ยงลูกไปนะจะมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกดีเดี๋ยวรู้สึกลำคาญเดี๋ยวรู้สึกขี้เกียจจะเลี้ยงอะไรเงี้ยเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆครับนะว่าป ร, ประมาณขึ้นปีก่อนไปมีโอกาสฟังธรรมซีดีหลวงพ่อ แล้วเขาจะพยายามทำมาเรื่อยๆเขาอยากจะขอคาขอหลวงพ่อช่วย ต, ตรวจว่าเขาภาวนาเป็นยังไงบ้างครับให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะรู้ทันใจมันมีความสุขใจมันมีความทุกข์ใจมันดีใจมันร้ายคอยรู้ทันจิตใจบ่อยๆแต่ว่าเขาต้องดูร่างกายด้วยนะแ้ว ร, ร่างกายมันทำงานอะไรเงี้ยเราเห็นร่างกายมัน พลักผ้าร่างกายมักวาดบ้านเลยเห็นร่างกายมันงานใจเราเป็นคนดูดูได้ทั้งกายดูได้ทั้งใจแหละอันไหนชัดก็ดัวนั้นเลยเขาบอกว่าเวลาเวลารู้เสบันทีจะรู้เสบพร้อมกันหลายอารมณ์พร้อมกันได้ครับเขาบันทีเขาบอกว่าบันทีก็ไม่รู้จะรู้เสบอะไรใจจะค้นหาเขาบอกว่าไม่รู้ต้องทํำยังไงครับ อันนั้นแหละเราก็รู้ว่าใจกําลังค้นหานะอารมณ์เมียนเดียวคือกําลังค้นหาอยู่แต่ถ้าอารมณ์นี้ก็มีอารมณ์นี้ก็มีอารมณ์ไม่ได ม, ม, มีเยอะๆมาพร้อมๆกันนะก็รู้อันเดียวรู้ว่าใจกําลังฟุ้งซ่านไม่ต้องไปดูทีละอันนะมันมาเยอะๆอๆเนี้ยรู้ภาพรวมมันทีเดียวเลยรู้ทีเดียวทั้งหมดเลยว่าใจกําลังฟุ้งซ่านอยู่โดด ๆ, ๆ, ๆไป คราบเวลาสติเกิดขึ้นจะรู้สึกชัดเจนครับแต่ว่าอย่าให้ชัดเกินไปนะถ้าชัดเกินไปแล้วถ้าใจมันจะรู้สึกแห้งแง้งไม่ค่อยสบายนะรู้สบายสบายไม่ต้องชัดมากนะถ้ารู้แบบชัดมากนะมันใจมันจะแบบด่ร้ายขึ้นมาให้ใจมันนุ่มนวลด้วยนะอย่าประเภทรู้ชัดแล้วใจแข็ ง, ขง ใจต้องมีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนด้วยเขาเพราะเข า, เารู้สึกตัวรู้สึกชัดแต่มี ม, มีแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนู้นเขาอยากจะถามว่าต้องดูอันไหนจะดีครับเขารู้ทันใจที่ใจอันเดียวเลยนะไม่ต้องไปที่โน้นที่เนีอ่อย่างมันมีความรู้สึกหลายหลายอันใจมันชอบใจมันไม่ชอบใจมันสงสัยใจมันอยากหาเนี่ย รู้ตยูที่ใจเราเองไอ้อพวนั้นมันไม่ใช่ใจเราหรอกมันเป็นอารมณ์ที่มายั่วพอมีอารมณ์อย่างนี้มาใจเราชอบอารมณ์อย่างนี้มาใจไม่ชอบอให้รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆนมรสการค่ะหลวงพ่อคือหนูมาขอเข้ามาหลวงพ่อเรื่องเล่นเกมซิมอะคนะ่ะทีนี้พอเล่นเกม เกมซิมอะค่ะไม่รู้จักอะเร า, าเล่นเกม อ, อากว่าเกมะคะอมพิวเตอร์ค่ะแล้วปรากฏว่าหลานเขาเล่นอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเออตัวนี้น่าจะดูจิตได้นะเพราะว่ามันมันแบบมันเป็นการสร้างครอบครัวสร้างเมืองสร้างอะไรแล้วก็เป็นการแต่งตัวอะไรเงี้ยดูความพอใจไม่พอใจอะคะอ่ะจนตอนนี้มีความรู้สึกว่าจิตมันแปลกๆอะค่ะ <laughs> แล้วก็มีครั้งหนึ่งนั่งเจริญสติไปอะค่ะหลวงพ่อ อยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยคืออารมณ์คืออารมณ์ออ ม, มันเกิดขึ้นและนี่ก็คือเจตสิกแล้วก็จิตก็ถามว่าเอะแล้วจิตหน้าที่ของจิตคืออะไรอะคะหน้าที่จิตคือรู้รู้ตัวพวกนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วหนูเวลาหนูเจริญสติแล้วหนูติดอย่างหนึ่งอะคะ่ะคือหนูจะหลับแล้วก็หลับลึกมากเลยะคะ่ะถ้าหลับเพืให้มันลึกไปไม่เป็นไรถ้านออกมาแล้วก็รู้เอาใหม่ จิตมันต้องการพักผ่อนมันก็ลงไปพักนะถ้ามันฟุ้งมากๆก็ลงพักลึกให้มันพักไปอันนี้คือจิตไม่ถึงฐานใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกัน อ, อันนี้เรื่องจิตจะพักผ่อนให้จิตพักแปแล้วแล้วจิตทางตามีไหมคะมีทางหูก็มีใช่ไหมคมีจิตเกิดได้หกช่องเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะอย่าค้นกว่าเยอะนะะแคะ่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไป ใช่เช่นใจสงบก็ ร, รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้หลวงพ่อข้ามีมีคำถามหนึ่งไม่แน่ใจว่าอุปทานไหมคะคือนั่งทานข้าวอยู่แล้วมีงูเขียวมันเลื้อยเข้ามานะคะแล้วหนูเห็นงูเขียวไงหนูก็นั่งภ า, าวนาก็ตกใจเกงเหมือนกันเพราะกลัวงูไงแต่ทําอะไรไม่ได้อยู่ๆก็ได้ยินเสียงว่าอุ้ยคนอยู่เนี่ยจิตมันก็เหมือนกับว่างูพูดภาษาเราได้เป็นไปได้ไหมอะงูมันก็คิดนะงูมันก็คิดของมันแหละ แล้วก็คลื่นของความคิดเนี่ยมันเป็นสาบนะถ้าเราไปแปลคลื่นนั้นออกเราก็แปลได้แล้วหนูควรทำไงคะหนูอย่าไปสนใจอยู่ที่ความสนใจนะยิ่งสนใจจะยิ่งรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วรู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วอันตรายต่อไปจะไม่ภาวนาให้กลับมาดูที่จิตของเราเองนะรู้รู้พวกนี้ไม่ยากหรอก แต่รู้แล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงไม่จริงใช่ไหมจิตหลอนเหมือนที่หลวงปู่ดุลชอบสอนนะเที่ยวไปรู้ไปเห็นนะถามว่าเห็นจริงไหมเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้เนี่ยเราไปรู้รู้ไหมว่างูพูดงูคิดเนี่ยก็รู้แต่ว่าจริงหรือปลอมไม่รู้เนี่ยนะเรื่องอย่างนี้ไม่เอาเลยถ้าจิตมันหลอนขึ้นมานะมันเที่ยวรู้เที่ยวเห็นออกข้างนอก แล้ยิ่งเราสนใจยิ่ไปใหญ่เลยจะไม่กลับมาที่ตัวเองอีกล้วรานั้นพยายามกลับมาที่จิตตัวเองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองที่ว่าดูจิตดูจิตนะคือรู้ทันความรู้สึกนะไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่จิตนะจ้องอยู่ที่จิตเป็นสมถะ เ, เป็นเพ่งจิตเอากลับบ้านไปขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ